พระธรรมเทศนาแผ่นที่111ดลำดับที่7โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่9กรกฎาคม2560มีชื่อเรื่องว่ากิเลสรั้งเวลาเป็นไงลูกร้านทั้งจัดอาหาร อย่าไปส่งเสียงดังนะอยู่ในความสงบจัดเสร็จหรือยังนะ่ะอาหารโงมากก็คงยังไม่เสร็จมั้งเนี่ยเอาพูดที่จัดก็จัดไปนะแต่อย่าไปส่งเสียงอย่าให้ ม, มันมีเสียงดังนะอย่าอย่าใช้อภิสิทธิ์ในการจัดอาหารนะไม่ใช่ว่าจัดอาหารค่ามีอภิสิทธิ์จัดอาหารใน <c oughs> กละมงกลละมงัง เอถาดดังเสียงกวงกลางเพิงกลางไปหมดไม่ได้นะถ้าว่าจัดจะให้มันเสียงดังอยู่ห้ามจัดนะแต่ถ้าว่าจัดแล้วไม่เสียงดังเอาค่อยๆจัดไปพอมีปี่น้องเราเยอะกว่าจะจัดอาหารได้กว่าจะแจกอาหารได้ก็ใช้เวลานานพอสมควรอยู่แต่ต้องระมัดระวังอย่าให้มีเสียงดังในช่วงนี้เป็นช่วง ฟังช่วงอบรมอบมในการได้ยินได้ฟังสําคัญกว่าเรื่องอาหารอาหารเราทานที่ไหนก็ได้อาหารเราทานกลับไปที่ไหนเราทานก็ได้แต่หลวงพ่อน่พูดไม่นานพูดใช้เวลาไม่นานและก็จบเขาคงจะไม่ได้พูดอีกในตอนเช้าราะฉะนั้นให้ลูกหลานอยู่ในความสงบเพราะพวกเรามาจากต่างถิ่นต่างแดนก็ามาอยากจะฟัง โอวาดธรรมแล้ว่าคำสอนเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของพวกเราเพราะนั้นพวกเราจึงได้มาจากทางใกล้และทางไกลฟังฟังดูแล้วก็ทุกสารทิศใช้เวลาเดินทางมาเป็นวันเป็นคืนกว่าจะมาถึงวัดหลวงพอ่อหลวงพ่อได้ยินแล้วก็ ขออนุโอนุมทธนากับลูกหลานทุกคนที่มีจิตใจเป็นกุศลที่ด้นดัานมาเพื่อจะจะทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจของแต่ละท่านแต่ละคนแต่หลวงพ่อบิณฑบาตก็ได้ถามไถ่มาจากหนลูกหลานฟังฟั ง, ฟงดูแล้วก็โ อ, อามาหลายหลายแห่งหนตาบุหมู่บ้านละเกิน จนนับจนนับไม่หวัดไม่ไหวแต่สรุปแล้วมาด้วยน้ำใจมาด้วยศรัทธาอยากจะสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจเมื่อได้สร้างบุญกุศลแล้วก็อยากจะฟังโอ ว, วาทธรรมที่ครูบาอาจารย์ที่ประพฤติปฏิบัติมาแล้วก็พร้อมกันทนะ่านลูกหลานนะ ถ้าว่าผู้ใดสนใจก็มีหนังสือและ MP3 สก็พร้อมที่จะแจกให้ลูกหลานได้อีกแต่ผู้ใดผู้ใดใฝ่ในการศึกษาไฝ่ในการเรียนรู้ในหลักธรรมคำสอนอะถ้าว่าหลวงพ่อพูดเงไปเดียวป่ดาวหน่อยเดียวแต่ลูกหลานเอาไปไปที่ไหนก็เสียบเข้าไปในรถแล้วก็ฟังไปไเรื่อยๆคิดว่าจะเกิด แนวความรู้ทางด้านกิตใจไม่มากก็น้อยนะเพราะนั้นหลวงพ่อเองที่ทำหนังสือกาดี MP3 กวีากดีจึงได้แจกให้ลูกหลานแล้วหลวงพ่อแจกก็แจกด้วยความมั่นใจอีกต่างหากนะั้นลูกหลานน ะ, ะแจกด้วยความมั่นใจเมื่อแจกไปแล้วคิดว่าจะเกิดประโยชน์จึงค่อยได้แจกให้ลูกหลานและมีศรัทธาญาติโยมได้ทามาถวายหลวงพ่ออีก โดยมากหลวงพ่อก็ไม่ได้ค่อยได้เอาปัจจัยของวัดมีปัจจัยศรัทธาญาติโยมนั่นรวมกันเสร็จแล้วก็ทำเป็น MP3 ทําทำเป็นหนังสือแจกให้กับผู้ที่ไฝ่ในการศึกษานะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2560 พระในวัดของเราทั้งหมด49รูปขณะนี้นะสมเนินหนึ่งรูปนาคหนึ่งคนวันนี้นะแต่พระลงมาชั้น39นะพระไม่ชั้น11 11องค์วันนี้โดยมากพระก็ไม่ค่อยลงมาชั้นพร้อมกันแอดบ้างชั้นบ้างนะแต่วันนี้เป็นวันอธิษฐานพรรษานะจัตไทาญาติโยมลูกหลานวันนี้เป็นวัน ที่เก้าเมื่อวันเป็นเมื่อวานเป็นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่แปดเป็นวันเป็นวันพระใหญ่เป็นวันลงอุโบสถแต่วันนี้เป็นวันอธิษฐานพรรษาพระตอนเย็นวันนี้แหละจะรวมกันที่ศาลาแล้วก็อธิษฐานพรรษาละมันใครจะจำพรรษาที่วัดไหนก็จะได้อธิษฐานตั้งกิจตั้งใจไว้ จะอยู่จำพรรษาในวัดนั้นๆคำว่าอธิษฐานก็คือตั้งใจมั่นจะตั้งใจว่าจะจําพรรษาทีา่วัดไหนนี่แหละพระที่อยู่ในวัดของเราก็คงจะ40กว่า อ, องค์อยู่ปีนี้แต่ก็ยังไม่แน่นะยังยังไม่ขยับจนกว่าได้อธิษฐานพรรษานะี่ยแล้ถึงจะนับได้ว่าพระในวัดของเรามีเท่าไหร่ปีนี้นะ แต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็ได้พูดได้กล่าวสำหรับพระสงฆ์ที่จำพรรษาควรจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างไรในการอยู่จำพรรษาเพราะพระในค้างพระพุทธเจ้าในค้างพุทธการองค์ที่โดดเด่นที่สุดก็คือพระจักคูบาลพอท่านไปจำไปอยู่กับหมู่เพื่อนไปปลีกวิเวกอย่างวัดเรานี่แหละ ท่านออกมาแล้วก็ท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าในพรรษานี้ข้าพเ จ, าเจ้าจะรักษาหรือเอาอุโบสถ อ, อริยบทสามยืนเดินนั่งจะไม่นอนเด็ดขาดในพรรษาจะไม่เอ็นกายในพรรษานี้เพราะข้าพเจ้านอนอยู่ในโลกเนี่ยมามากต่อมากนอนจมนอนใจอยู่ในโลกเนี่ยนานเท่านาน แต่ปัดนี้ข้าพเจ้าจะไม่นอนเจ้าเอาเรียบทสามคือยืนเดินดนธธั่งสามเดือนตั้งกิทธิษารทั้งสามเดือนโ อ, อ้พอเสร็จแล้วท่านก่อนไม่นอนจริงๆนะในสามเดืนเ อ, พอนพทใ่สุดในวันสุดท้ายของวันออกพรรษาแปลว่ากิเลส ในใจกดหลุดพันษาก็ออกกิเลสก็หลุดตาท่านก็แตกเนีพระจักกุบาล น, นะออตาท่านก็แตกทั้งสามทั้งสทั้งสาการทั้ง3อย่างออกพร้อมกัน meille? พันษาก็ออกในวันนั้นออกินเลสของท่านก็นหลุดพ้นในวันนั้นออตาของท่านก็แตกในวันนั้น แต่ทําไมตาของท่านจึงได้แตกทั้งที่อดนะอดนอนนะแต่ตามไม่จริงก็เป็นบาปเอาเอาุศุลกรรมในของท่านในอนดีตแต่ชาติพนะระพุทธเจ้าท่านมองดูแล้วว่าไม่ใช่ว่าสาเหตุการนอนเท่านั้นแต่การนอนคือสาเหตุหนึ่งในปัจจุบันแต่สาเหตุหนึ่งใน อ, นอนดีตที่ผ่านมาคือพระจักกุบาลเป็นหมอตานะ ในในอดีตชาติของของท่านที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเนี่ยจักกุบาลคือใช้กรรมในอดีตของเขาของท่านแต่ก่อนหน้านี้เขาเป็นหมอตาในอดีตชาติเขาไปรักษายายคนหนึ่งก็มีฐานะพอรักษาเขาหายแล้วพอหายแล้ว เขาก็ว่าไม่หายเพราะเขาไม่อยากจะจ่ายเงินเขาจะจะเบี้ยวเงินของจกักรุบาลนแต่คนรอบบ้านรอบข้างเขาว่าโอ้ยยายทำการทำงานได้ทุกอย่างหายแล้วแต่พอหมอจะเข้าไปหาจะทำท่าตาบอดมองไม่เห็นก็ไม่รู้ปัจจุบานก็ไม่รู้จะเก็ บ, เ ก, บเก็บเงินได้ยังไงเพราะว่าเขายัางไม่หายแต่พอหมอออกไปแล้วเขาก็ทำการทำงานได้ปกติ อแต่หมอจะมาแล้วก็ทําท่าตาบอดอีกตอนนี้พระจักรุบาลก็โมโหใช่ไหมสมัยนึงเป็นหมอยาตนอะโมโหกันมาเอาเถ้ามันมาหาเบี้ยวข่าเนะี่ยข้าจะทําให้มันตาบอดเลยแล้วงั้นทางแม่บ้านของญาติจะไปทําเออห้ามไม่ห้ามไม่ให้ทำํำไม่ให้สามีทำํำเรายอมเสียเปรียบก็ซะดีกว่าที่จะทําเป็นจะสร้างบาปกรรม มันทําให้กับเรานะจากนั้นพระจักกุบาลก็เลยแต่งยาเป็นน้ํากรดให้บาดเนี่ยยอดให้ไปให้มันตาบอดเลยงั้ น, นคนเรามันเป็นอย่างนั้นได้อทีนี้เขาไปก็ถามยายยายเป็นไงตาโอ้ยตาบอดมองไม่เห็นเนี่เนี่ยยาตัวนี้นะ อ, อดีนะตัวนี้นะยอดเข้าไปแล้วตัดรากตัดโคนเลยตาจะใสแจ๋วเลยละ คนก็อยากจะตาใสายอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเออเอเอพอให้เจแล้วก็หมอตาห น, นีไปที่อื่นกลับอพอกลับแส้งก็ย้ายก็หยอดตาพอหยอดตาเข้าไปก็โหน้ำกดเข้าตาใช่ไหมเปร้วเข้าไปตาบอดทั้งสองข้างนะจ๊นี่นี่แหละจากนั้นมาพัจจุกุบาลกิเลยได้รับกรรมกรรมที่ตนเองได้กระทำให้คนอื่นตาบอด นี่แมันมีที่ไปที่มาเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านพระพุทธเจ้าจินว่ากรรมชั่วอย่าทํำเฉยดีกว่าเมื่อทํากรรมชั่วลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือด ร, ร้อนเมื่อภายหลังแต่ชาตินั้นก็ใช่ตามไม่บอดแต่พอมาชาตินี้กรรมนัน่นมันให้ผลตามมาให้ผลตาบอดไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเ่ยเพราะตัวเองทํากรรมไม่ดีเนอะไว้ในอดีตเพราะฉะนั้นขอให้ พวกลูกหลานท้งหลายจนนี้ก็ให้สํารวมระหว่างและก็พร้อมกันแต่พวกเราไม่มีกรรมถึงจะอดนอนหนึ่งหงพ่อก็ได้ยินคูบาอาจารย์อดนอนก็ไม่เห็นตาบอดสักองนะมีแต่พระจักมีแต่พระจักกุบาลองค์เดียวที่ในตําราในพระไตรปิฎกนะกัรนอกนั้นก็ไม่มีคูบาอาจารย์องคเด่นท่านก็อดอาหารอย่างลวกปูขาวเนะี่ยทำกองเพลนท่านว่าการอดอาหารถูกกับจริตท่าน แต่ลงตามหาบวัวบอกไม่ได้เราอดอาหารนี่ยรู้สึกว่ามันเมืดตึบมันง่วงคิดอะไรไม่ออกเลยเรานี่ถูกกับจริตในการอดอาหารค่ะลงตามหาบวัวนอดอาหารนะพอมันรู้สึกว่างจิตใจมันงุนง่านจิตใจมันฟุ้งซ่านเนี่ยอดอาหารอดอาหารกับภาวน า, าท่านว่าจิตใจสงบ แน่วแน่วเน่งได้ดีกว่าแต่มันไม่หิวแต่ลงปูขาวนอดอาหารไม่ได้พระอดอาหารโอ้โหมันหิวมากไฟไหม้ท้องถ้าอดนอนอดนอน ด, ดีกว่านี่แหละการภาวนาของครูบาอาจารย์แต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะแต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็บอกให้พระของหลวงพ่อดทดลองได้ทั้งสองอย่างทั้งอดนอนพลอาหารแล้วก็อดนอนด้วยทั้ง ภาวนาอันนี้ก็คือหน้าที่ของพระแต่สำหรับศรัทธาญาติโยมเหล่นี้ในพรรษาก่อนที่จะเข้าพรรษาปี60เนี่ยพวกเราควรจะทำอย่างไรอันนี้ก็พวกเราไม่ใช่ว่าจะให้แต่พระประกอบคุณงามความดีตัวเองไม่อยากจะได้บุญไม่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะเพราะศรัทธาญาติโยมทำก็ทำได้บุญเหมือนกัน คนนั้นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่มาวัดของหลวงพ่อวันนี้ละ่ะอพวกเราท่านทั้งหลายมามากขนาดนี้ก่อนที่จะกลับออกไปเนะนี่ยนะควรตั้งจนะิตอธิษฐานต่อหน้าพระประธานนะาพระพุทธลูกพระพุทธอุดมมงคลที่เรานั่งอยู่เนี่ยนะที่เราเห็นเนี่ยนะข้าพเจ้าอในพรรษานี้ยข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันไม่ให้ขาด ทำวัดเช้าทำวัดเย็นไม่ได้ก็ว่าเพียงไม่ได้ยาวก็ให้ว่าแกราพุทโธธรรมโมสังโฆแล้วก็หังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธทางพระกวันตังอภิวาเทมิกาบสวาขาโต้วกสุปติปันโนนโมตะัะพระกวัตโตได้เพียงแค่นี้ก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลเพราะเราร้ำลึกถึงพระไตสรสาระคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์ ก่อนนอนที่จะไปทําการงานก็ไหว้พระเอกเอ ไ, ดได้มากได้น้อยก็สุดแท้แต่ถ้าได้มากก็ดีนะถ้าไม่ได้มากก็ได้เพียงแค่นี้ก็นับว่าดีนะไม่แห้ขาดนะนี่เขาว่าไม่แห้ขาดในสมเดือนคือตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแนนะ่นี่แหละอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลนะักนัศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะทำมากกว่านั้นก็อเอาข้าวพเจ้าจะนั่งสมาธิทุกวันไม่แหกขาดวันละ30นาทีนะ เอรตกกลางคืนมาก็ น, นั่งภาวนาจะเป็นเวลาไหนก็ได้นั่งสักยี่สิบนาทีสามสิบนาทีนั่งภาวนาเนี่ยเราก็เราก็ไม่ทอให้สม่าเสมอถ้าได้ขนาดนั้นและยิ่งดีนี่แหละขอให้พวกเราทุกทุกท่านจต่ายญาติโยมทุกค น, นในพรรษาไม่ใช่ว่าวันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปเราไม่ได้คิดทาอะไรเลยเ<อ>ชีวิตของเราก็ อายุของเราเท่าไหร่ขณะ น, นี้เวลานี้เพราะฉะนั้นควรจะประกอบคุณงามความดีควรจะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราอ่ามันจึงจะถูกน ะ, ะเพราะว่าพวกเราในหลักของพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาแล้วตายแล้วไม่สูญในจุดนี้แหล ะ, ะถ้าตายแล้วสูญไม่ไปไรถ้าตายแล้วไม่สูญในเมื่อ ร่างกายของเราถูกเผาไฟแล้วแต่ดวงวิญญาณดวงใจนั่นนะ่ะไปปฏิสนธิไปหาเกิดในพบภพบภูมิต่างๆไปเวียนว่ายตายเกิดอีกนั่นละ่ะถ้าาว่าวิญญาณดวงนั้นไม่มีบุญแล้วก็ไปหาเกิดเป็นสัตว์สาราสิงก็ไม่น่าจะถูกเพราะเราได้เกิดมาได้พบภะพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วควรจะ ตั้งอกตั้งใจประกอบคุณงามความดีไม่เห็นจะยากที่ตรงไหนเนี่ยอันในเรื่องให้ทานเราก็มีอยู่แล้ว เ, เห็นพี่น้องศรัทธาญาติโยมทําบุญทําทานเออนี่แหละหลวงพ่อเห็นแล้วกับปลื้มใจเหมือนกันในการทําบุญทําทานการเสียสละของพี่น้องลูกหลานการรักษาศีลรู้สิกหดหน้อยถอยลงไปแต่เรื่องภาวนาเนี่ย ไม่ได้รับการอบรมไม่ได้รับไ ม, ไม่ได้รับการศึกษาที่ดีพวกเราก็ไม่รู้แต่ตามไม่จริงถ้าหากได้รับการศึกษาที่ดีนะั่นเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะคณศสัทธาญาตหลวงลูกหลานเรื่องภาวนานี่ยนะถ้ามีโอกาสก็เป็นนั่งภาวนาเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วเนะี่ยเป็นพื้นฐาน น, ะนั่นแหละความหมั่นความขยันจะมาเองถึงในเมื่อเราภาวนาจิตใจได้รับความสงบแล้วนะ แต่ถ้าว่าขอที่จะได้รับความสงบเนี่ยมันยังไม่เห็นผลความขี้เกียจขี้คล้านะ่มันมีความไม่ใส่ใจแต่พอจิตใจเข้าสู่ความสงบเน่งแล้วนะเราจะเห็นผลอืมทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดมันไม่ใช่ออกไปจากที่อื่นนะนี่นี่แหละอันนี้อยากจะให้พวกเรา ท, ทุกท่าน<อ>ในพรรษาในข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาอย่างน้อยวันละสิบนาทีได้ไหม แต่นั่งดูดูหนังตโตทรทัศน์ดูหนังฟังลำอย่างอื่นแล้วยังนั่งได้เรานั่งภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธเนี่ยสักสิบนาทไีไม่ได้เลยแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเคยบอกกับพระนะท่านนั่งคุยกันว่านั่งดูหนังฟังลัมนาฬิกาเดินเร็วเร็วนแต่พอนั่งภาวนาเนี่ยนาฬิกาเนี่ยเดินช้ามากเลย อมันมันจะไม่เดินช้าเนี่ยนาฬิกาขณะที่นั่งภาวนานมันก็แปลกนะให้สังเกตทุกนันลกลุกหลานมันเดินช้าเพราะอะไรพรากิเลสเนี่ยกิเลสภายในใจของเรามันล้งเอาไวล้ลั้างเข็มนาฬิกาเอาไว้นะ อ, อมันก็เลยทําให้นาฬิกาเดินช้านะ อ, อถ้าว่าเราดูหนังฟังลําดูละครเน่ยเหมือนกับกิเลสมันพาลากไปเหมือนกันเลยมันก็เลยไปเร็ว <c oughs> เข็มนาฬิกานะ ให้พวกเราสังเกตนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทางนี้ทางนั้นนะพอนั่งภาวนาธนานาฬิกามันเดินชา้าถึงจะช้าหรือเร็วกาเถอะเราจะต้องนั่งให้ได้ตามที่กําหนด10นาที20นาทีสามสนาทีถ้าไม่ได้ข้าพเจ้าจะไม่ออกอจากการนั่งนี่แหละไม่ใหม่ต้องบังคับตนเองก่อนต่อไปพอมันเคยชินแล้วเออแตนี้ไม่ต้องไม่ต้องตั้งนาฬิกาก็ได้ปะเนี่เพราะเหตุไรเพราะ เราไม่เรานั่งภาวนาไม่ใช่เอาเวลานะไม่ได้ตั้งนั่งภาวนาเพื่อเอาการเวลาเนะี่ยเรานั่งภาวนาเพื่อเอาความสงบจิตใจของของเราจะได้รับความสงบเรามุ่ง ม, มั่นมุ่งมั่นมุ่งหวังเพียงแค่นั้นเราไม่ได้มุ่งมั่นมุ่งหวังเอาการเวลาเอาเวลายาวเวลาสั้นนะะเราต้องการความสงบในจิตใจ ถ้าเรานั่งนานนานไปแล้วนะเราไม่ต้องตั้งนาฬิกาแต่ไม่ไมเนะี่ยอยากจะให้ตั้งนาฬิกานะเพราะมันถ้าให้ตั้งนาฬิกาว่าไม่มีสิ่งบังคับนะเออมันจะทะเลถลายไปเรื่อยพอนั่งภาวนาไม่ถึงห้านาทีโอ้ข้าพเจ้านั่งนานนะถึงชั่วโมงแล้วมั้งนี่ยมันให้คะแนนตนเองแต่ที่แท้ไม่ถึงหนาทีนะอย่างนาฬิกามันเดินช้าอย่างที่ว่าเนี่ยนะนะนะนะกิเลสมันมันลังฮ เพราะนั่นขอให้พวกเราทุกท่านนะคันนศรัทธาญาติวงศุลกหลานทุกคนนะและก็พร้อมกันได้มาทําบุญในวันนี้ก็ให้อุทิศส่วนกุศลกับผู้มีอุปการะคุณสําหรับพวกเราทุกท่านถึงเราจะไปทําบุญนะสถานที่ใดก็ตามนะเมื่อทําบุญเสร็จแล้วพระสงฆ์อนุมโมทนาให้พรให้เราน้อมจิตอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปการะคุณคือปู่ย่าตา ย, ยายพ่อแม่ของพวกเรา ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ขอให้ท่านเจริญยิ่งด้วยลาบยศเสริเสริญสุขสุขกายสุขใจถ้าท่านโล่งรับไปแล้วก็ดวงวิญญาณท่านสิงสถิตอยู่ณที่ใดทินใดก็ขอให้มารับศ่นบุญส่วนกุศลที่เขาไปยาวได้ทําบุญกุศลในคราวนี้ครั้งนี้นะเวลาพระสงฆ์อนุหมทนาให้พรเอาตอนนี้ไปพระสงฆ์จารย์หมวทนาให้พรที่ตนเองได้รับพรใอุทิศส่วนกุศลหน้า